ภาวนา ม, มันไม่ยากอะไรหรอกนะคยรู้สึกนะรู้สึกตัวอย่าไปบังคับแตมาเสเวลาสมถะทำอยู่ยี่สิบสองปีทำแล้วจิตนิ่งสว่างว่างสบายสบา ย, ยไม่เกิดปัญญาเหมือนพ้นทุกข์ก็ชั่วเวลาที่เราทำสมถะอยู่พอหมดเวลาทำสมถะออกมาอยู่กับโลกข้างนอกมันก็ทุกข์ใหม่กิเลสกลับมาอีก การที่เราคอยเพ่งบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจนิ่งๆมันจะทำให้ไม่เกิดปัญญาจะไม่เห็นความจริงในกายในใจกายก็นิ่งใจก็นิ่งเหมือนไม่ยอมแสดงไตร ล, ลักษณ์ถ้าเราไม่เห็นไตร ล, ลักษณ์ของกายของใจเรียกว่าไม่ได้ทำวิปัสนาอยู่ถ้าไม่ได้ทำวิปัสนาเนี่ยมรรคผลจะไม่เกิดทำสมถะแค่ไหนนะมรรคผลก็ไม่มี สมถท า, าก็มีประโยชน์เอาไว้พักผ่อนให้มีเรี่ยวมีแรงเวลาเราภาวนาบางทีตะลุมบอลมากไปอย่างที่เมื่อเช้าเล่าให้ฟังจิตถลำลงไปดูความไหวๆถ้าเราทำสมาะมาใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันถอนตัวออกมามาเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ลำพังตัวของสมาะนี่ไม่ทำให้เกิดมรรคผลต้องทำวิปัสสนา มิปัสสนาคือการที่เราสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจมิปัสสนาไม่ได้ตื้นแค่ว่ารู้กายรู้ใจแล้วเป็นมิปัสสนาต้องเห็นกายเห็นใจมันแสดงไตรลักษณ์ได้กายกับใจจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นได้มีเงื่อนไขอยู่สองอันนะอันหนึ่งต้องไม่เผลอถ้าเมื่อไรเราเผลอเราก็ลืมกายลืมใจ ไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูหรอกในกายในใจนี้เพราะว่ากายกระใจหายไปเวลาเราใจลอยรู้สึกไหมเวลาเราใจลอยร่างกายเราก็ยังมีอยู่นะแต่มันลืมไปจิตใจเราสุขทุกข์ดีชั่วเราไม่รู้เลยเรียกมีกายแล้วก็ลืมไปมีจิตใจเราก็ลืมมันไปหมดงั้นศัตรูเบอร์หนึ่งเลยที่ทําให้เราทํำวิปัสสนาไม่ได้ก็คือการขาดสติลืมกายลืมใจ สัตรูตัวที่สองนะที่ทำให้เราทำวิปั ส, สนาไม่ได้วิปั ส, สนาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเราเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ได้นะถ้าเราเพ่งอยู่พวกเราเวลาหัดภาวนาเนะี่ยบางคนบอกมีสติรู้กายมีสติรู้ใจแต่รู้แบบเพ่งกายเพ่งใจกายก็นิ่งใจก็นิ่งมันดูเหมือนเที่ยงนะ ยิ่งเราเพ่งมากๆนะมันจะทำให้เห็นผิดไปมันจะรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เที่ยงรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้มีความสุขรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเราบังคับได้อย่างบางคนนั่งสมาธิโต้รุ่งนะไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งได้โต้รุ่งเลยภูมิใจนะว่ากูเก่งกูบังคับกายกูบังคับใจได้แทนที่จะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา กับรู้สึกว่ามันเที่ยงมันมีความสุขมันบังคับได้การที่เรามีสติเพ่งอยู่ในกายในใจเป็นการทำสมถะทำสมถะแล้วถ้าไม่ได้เดินปัญญาเนี่ยมันล่อแหลมมันเสี่ยงที่จะเกิดความเห็นผิดว่ากายแก่ใจนี้มันเที่ยงเป็นสุขนะเป็นอัตตาเนี่ยงันอย่างพวกฤาษีชีไพรเขาสอนกันว่าจิตเป็นอัตตา ทำไมเขารู้สึกจิดเป็นอัตตาเขารู้สึกบังคับได้ทำให้มันไม่คิดไม่เนื้ออะไรก็ได้นะอยู่ได้ตั้งหลายวันทำให้มีแต่ความสุขล้นๆวนอยู่ยงั้นก็ได้ทำให้เที่ยงก็ได้นะเหมือนกันทุกวันเลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยเที่ยงมีความสุขอยู่ตลอดเวลารู้สึกบังคับได้เป็นอัตตาเขาก็เลยรู้สึกว่าอาตามันคืออัตตาเนี่ยมีอยู่จริงๆ อาตามันคือตัวตนถาวรมีจริงๆริงพอร่างกายนี้ตายอา ต, อาตามันนี้ก็ไปเกิดใหม่เปลี่ยนร่างกายเท่านะั้นแต่จิตเป็นคนเดิมเห็นอย่างนี้ได้ก็เพราะเขาเก่งนะเขาทำสมถะเก่งฝึกไปจะรู้สึกจิตเป็นตัวเราจิตบังคับได้แต่หัดเจริญวิปัสสนาเราจะเห็นจิตนั้นเองเกิดดับเดี๋ยวก็เป็นจิตที่สุขเดี๋ยวก็เป็นจิตที่ทุกข์เดี๋ยวเป็นจิตเฉยเฉยอะไร เราไม่ไปเพ่งนะจิตจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนไปเรื่อยไม่มีหยุดเลยเห็นไปเรื่อยๆนะปัญญามันก็เกิดจิตนี้มันไม่เที่ยงนะจิตนี้ทนอยู่ในภาวะอันใดนหนึ่งไม่ได้จริงหรอกจิตนี้มันทํางานของมันเองนะเราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ ดนั้นการทำํำวิปัสสนาเนี่ยจะทําให้เราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเมื่อเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงแลจิตมันจะคลายความยึดถือออกไปมันจะไม่รู้จะยึดทําอะไรแล้วไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยเป็นแต่ตัวทุกข์เป็นแต่ของไม่เที่ยงเป็นแต่ของที่บังคับไม่ได้มีแต่ความบีบคั้นเกิดขึ้นในกายในใจนี้ตลอดเวลาอปัญญามันแก่รอบมันก็วางไม่ยึดกายไม่ยึดใจแนละ้ว สลัดทิ้งไปนะแม้เส้นทางเดินสองสายนี้ไม่เหมือนกันสายหนึ่งไปทำสัพมาะเพ่งกายเพ่งใจให้นิ่งไปเลยก็รู้สึกกายนี้ใจนี้เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาอีกสายหนึ่งไม่ไปเพ่งให้นิ่งปล่อยให้กายให้ใจทํางานแล้วมีสติตามดูเรื่อยๆไปก็เห็นแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นว่าเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจิตจะเบื่อ เมื่อในายคลายกำนัดคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นไปนี่นเราต้องเดินให้ดีนะอย่าเอาแต่เพ่งเพ่งลูกเดียวตายไปเป็นพระพรหมลำบากอาต่อไปตรวจกันบ้านแกนมัสการเจ้าค่ะตอนนี้จิตมันไหลแล้วมันก็ฟุ้งคิดไปเรื่อยเจ้าค่ะทวันนะึงคืน ไหลแล้วรู้ว่าไหลแล้วแหละได้คะแนนนะเจ้าค่ะทุกครั้งที่ไหลแล้วรู้ว่าไหลก็ได้คะแนนะสะสมแต้มไปแล้วบางทีมันมีสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นเรากําลังนั่งอยู่ๆเสร็จแล้วได้กลิ่นบุหรี่พอกินบุหรี่มาเราก็รู้ว่าเออมันมากระทบเสร็จแล้วพอพอมันมากระทบปุ๊บก็รู้ว่าเออมาทางจมูกก็เข้ามาที่จิตอืมจิตก็รู้ว่าไม่ชอบก็ได้แค่นั้นนะเจ้าค่ะก็ดูอย่างนั้นแหละเห็นไหมจิตตะกี้เฉยๆตอนนี้เป็นจิตไม่ชอบ เนี่ยแสดงความไม่เที่ยงให้ดูนี่เราดูกายดูใจเพื่อให้เห็นไตรลักษณเห็นได้อย่างนั้นใช้ได้แล้วเมื่อวานก็คงเมื่อวานก็คิดฟุ้งซ่านทั้งวันเหมือนกันค่ะแล้วก็พยายามจะดูให้ทันยิ่งดูก็ยิ่งคเครียดค่ะตอนบ่ายก็เลียกปีบากไปเลยค่ะพยายามนะพยายามแล้วก็ล้มเหลวสิแมมันโลภะถ้าอยากจะดูรู้ว่าอยากดูเนี่ยปฏิบัติเสร็จแล้ว อ, อยากดูแล้วจงใจไปเที่ยวควานควานอะไรร่างกายเป็นดิ้นรนค้นคว้าก็เป็นทุกข์ไปนะเรารู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นก็รู้ว่ายังยังมีความจงใจอยู่ค่ะอืแต่ว่าเมื่อวานเนี้จะเห็นหลงคิดเยอะอืซึ่งตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็หลงคิดไป น, นิดนึงแล้วบางทีมันก็รู้สึกแล้วก็บางทีมันก็ไหลมันสับกันไปรู้ไปงั้นเลยอันนี้ยค่ะดูเข้าจ <ะ S 1> ใจรัก พวกเราเริ่มเห็นไตรลักษนะ์แล้วรู้สึกไหมเห็นแต่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นแต่บังคับไม่ได้เห็นแต่มันทํางานได้เองเนื่องการที่เรารู้ลงไปนะเราเห็นไตรลักษ์เขาแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษ์นะไม่ใช่ตัวเราที่แท้ จ, จริงบังคับไม่ได้นะนะไม่มีตัวตนถาวร อ, อย่างคําว่าอนัตตาแปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะอนัตตาจริงๆไม่มีตัวตนถาวร มีอยู่ก็มีชั่วคราวนะหมดเหตุเาก็ดับไป้บังคับไม่ได้เราจะเข้าใจคําว่าอนัตตาได้ดีถ้าเราเข้าใจคําว่าอัตตาของฮินดูสักนั้นอัตตามันคือตัวตนที่ถาวรไม่มีตัวตนที่ถาวรแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐนะิในศาสน า, าพุทธเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนยถ้ามีเหตุมันก็มีไม่ใช่มันไม่มีถ้ามีเหตุมันก็มีมมมมม ห, มมหมดเหตุมันก็ไม่มี ไม่มีตัวตนถาวรเราจะเข้าใจตัวนี้ได้เราก็ต้องเข้าใจอัตตาเสียก่อนะงินไม่ได้พาวนาเพื่อให้มันหายไปนะแต่พาวนาเพื่อให้เห็นจริงเลยเราบังคับมันไม่ได้แล้มันทำเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุของมันตัวเล่นเล่นไปนะยังเพียงอยู่นะยังมีเพียงอยู่ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมนะเอาวันนี้ให้ใครคนไหนยังไม่เคยส่งกันบ้าน คนที่ไม่เคยส่งกันบ้านแล้วอยากส่งกันบ้านครั้งแรกในชีวิต อ, วอร์ยี่สิบหกระสการพระอาจารย์ครับผมศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยปัจจุบันรักษาะศีลห้าให้บริสุทธิ์ดีสิดีมากครับปฏิบัติตามรูปแบบทุกเช้าแล้วก็ปฏิบัติในชีวิตประจาวันสำหรับการปฏิบัติตาม รูปแบบผมจะดูลมลมหายใจเป็นวิหารธรรมอระหว่างนั่งก็จะเห็นการเผลอแล้วรู้เผลอและรู้ได้ได้บ่อยและชัดเจนแล้วในช่องว่างระหว่างการที่รู้แล้วเผลอบางครั้งก็กลับไปเห็นลมหายใจบางครั้งก็ไปเห็นเวทนาที่ความเจ็บปวดเอที่เกิดขึ้น ทำให้สรุปได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงของมันเองตลอดเวลา mm hmm. โดยเพราะยิ่งในการเผอแล้วรู้นั้น mm hmm. เรื่องบางเรื่องเราไม่อยากไปคิดหรือไปถึงอะไรมันเลยมันก็ยัง mm hmm. ยังโผล่มาให้เรารู้อีกา mm hmm. ำรับในชีวิตประจำวันจากพัรษาที่เข้ามามากหลายทำให้เห็นว่าเรายังมีทั้งกิเลสมานะอัตตา mm hmm. ครบถ้วนโอ้ oh, แต่ว่าได้ยินอาจารย์สอนในซีดีว่าแต่ละคนสะสมความหลงผิดไว้ไม่รู้กิจชาติก็จะต้องเรียนรู้ต่อไปผมก็จะไปบัติตามที่อาจารย์ได้แนะนาไว้ว่าจะเรียนรู้ต่อไปช่วยชีวิตนี่สาธุเลยสาธุโมทานาสาธุนะดีมากเลยทาได้ครบเลยนะมีศีลไหมนะ มีศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยศีลไม่ดีสมาธิไม่มีใจมันฟุ้งสั้นมีศีล น, นะแค่คิดถึงศีลแล้วก็สงบแนละมีการปฏิบัติในรูปแบบไม่ละเลยถ้าละเลยแล้วขี้เกียจย่อหย่อนมีการเจริญสติในชีวิตประจําวันชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ปกติเองถ้าเจริญในชีวิตประจำวันได้ก็คือปฏิบัติธรรมทั้งวันละนะทาอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนะฝึกไปเรื่อยๆ วันหนึ่งปัญญาก็แจ้งขึ้นมาแล้วว่ามีแต่ความเป็นไตรลักษณ์ในใกายในใจนี้ไม่มีตัวตนถามนมรรคตัวเราไม่มีเหตุ น, หนี้นั้นได้เป็นพระโสดาบันการปฏิบัติหลังจากเป็นพระโสดาบันเราก็ปฏิบัติเหมือนเดิมนั่นแหละมีสติรู้กายรู้ใจไปถึงวันหนึ่งก็เป็นแจ้งขึ้นมากายนี้ทุกข์ล้นลนจิตนี้ทุกข์ล้นๆนก็วางเส้นทางที่พระอริยเจ้าทางหลายท่านเดินท่านก็เดินกันมาอย่างเนี้ยดีแล้ว สี่สิบเก้าอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังครับกับพรสมประการหลวงพ่อครับอเออผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งเดือนครับผมก็รู้สึกว่าจิตใจสงบมากขึ้นตอนนี้ก็คือใช้วิธีปฏิบัติคือการดูกายและการดูใจออใพร้อมๆกันนะครับผมมันต้องดูสลับกันนะมันไม่ดูพร้อมๆหรอกไม่ทราบว่าทำถูกแล้วหรือเปล่าครับทาถูกสิ สังเกตไหมเดือนหนึ่งนี่ใจเราเปลี่ยนแปลงรู้สึกไหมมันมีความสุขมันมีความสบายมันโปร่งโล่งเบาขึ้นมานะตามรู้เหมือนไปเดืนมาหนึ่งเห็นความจริงเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราเห็นไหมมันทำงานได้เองดูไปมันทํางานเองนะบางคนพอนานตั้งหลายสิบปีไปไหนไม่รอดเพราะไปเพ่งให้นิ่งไม่เกิดปัญญ า, าเราไม่เพ่งใช่หไหมแต่เรามีสติตามดูเห็นได้ความเปลี่ยนแปลงกายใจแสดงใจรักดีแล้ว ห้าเจ็ดห้าเจ็ดการวสการครับหลวงพ่ อ, อ, อผมผมก่อนก่อนหน้านี้ก็ก่อนหน้านี้ผมจะฝึกนั่งสมาธิแนวพุทโธแล้วก็จะยกไม่ไหนยกไม่นั่งสมาธิแนวพุโทโธนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หลังจากปีสองพันห้ายห้าสิบผมก็ได้มาฟังเทศหลวงพ่อโดยการดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต ทำให้ผมทราบสภาวะว่ า, วาสภาวะเผอเป็นยังไงสภาะเพ่งยัยมเอาไม้ใกล้ๆปากหน่อยนะครับ อ, อทราบสภาวะอะไเรเผลอเป็นไงแล้วทําให้ผมทราบทราบว่าสภาวะเผอเป็นยังไงสภาวะเพ่งเป็นยังไรรววงองไ อ, อซงืซึ่งซึ่งจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนมากแล้วผมจะเผออือแล้วพอเผอปุ๊บเนี่ยผมจะไปเพ่งทันทีเลยอ๋อตกครับดีที่รู้ทันนะครับพวกที่ภาวนาอย่างสมัยก่อนหลวงพ่อฝึก ฝึกแนวครูบาอาจารย์วัดป่าแหละแต่เราเรียนมาได้นิดเดียวไม่ได้ตลอดอย่างท่านเราเรียนได้แค่ความสงบใจก็นิ่งๆหายใจไปล้วก็สงบอยูย่เฉยๆใช่ไม่ได้การที่คุณหายใจไปแล้วคุณเห็นจิตไหลไปเพ่งบ้างจิตไหลไปคิดบ้างนะ ร, รู้บ่อยๆต่อไปพอเรามาอยู่ในชีวิตประจําวันเงี้ยจิตเราไหลไปเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาครับส so, ตรีมจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเดินไปอย่างนี้แหละครับนะดีแล้วขอบคุณคัมหลงพ่อ ร้อยี่สิบอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังข้างหลังรัฐพัสการครับหลวงพ่ อ, อ, อตื่นเต้นครับมผมมีปัญหาอยากจะถามหลวงพ่อว่า เ, เคยมีครั้งหนึ่งผมได้สติที่ว่าเห็นรูป เ, เห็นรูปสวยก็คือผู้หญิงนะครับอืออดีไม่เห็น <ใจ S 1> แล้วผ<ก>ู้ชายสวยเห็นผู้หญิงสวยหลังไหพอได้สติมารู้ตัวว่าเราเนี่ย เผอชอบเออฮะแต่คราวนี้ยผมมีปัญหาอยู่ที่ว่าพอผมได้สติแล้วผมไปห้ามไม่ให้เขามไม่ให้ไม่ให้มองโอ้อย่างนี้ก็เครียดสิกับกับห้ามไม่ให้มองกับกับจะมองต่อเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะดูอย่างไหนดีครับถ้าตามองเห็นถ้าตามองเห็นก็มองถ้าไม่เห็นก็ไม่ต้องไปเดินตามดูอ๋อครับ เพราะเขาเคยร้องทั้งสองอย่างสองวิธีนะครับคือว่ามองต่อเราก็เผลอบางครั้งก็กจะเผลอไปยิ่งยิ่งเผลอไปอีกแต่อย่างเป็นถ้าเป็นพระนะท่านบกไม่มองออกครับเพราะว่าเสี่ยงเป็นพระเดี๋ยวเสี่ยงตามผู้หญิงแปลเราเป็นคารวะเนี่ยความเสี่ยงมันน้อยกว่าพระอ๋อครับเพราะงั้นถ้ามันมีให้ดูเรารู้ว่าใจชอบเราก็รู้ไปแต่ถ้าดูแล้วเราเพลินนานๆ น, น, น, น, นะเราก็อย่าไปดูอ๋อครับนะดูแล้วหลงนานเราก็ไม่เอาเสียเวลาเรา อ๋อครับดูเอาแค่ไหนพอดีครับน้สกายครับหลวงพ่ออ้าวเบอร์ห้าสิบสามอยู่ที่ไหนคนนี้ถามแต่เรื่องดูผู้หญิงโยมปฏิบัติอยู่รู้สึกว่าเพ่ ง, ง่ะฮะใช่แล้วก็เครียดขะเครียดมากค่ะเลิกปฏิบัติได้ไหม เวลาเลิกปฏิบตัติมันก็ไม่ยอมหยุดหาไม่ยอมปฏิบัติไอ้ไม่ยอมหยุดปฏิบัตินะไม่ยอมเลิกเลยเหรอ<ะ>ไปหางานทําไปเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรเนี้ยทํางานไปนะแล้วก็ควรดูจิตจะดูอะไรฮะตอนนี้ไม่ดูตอนนี้เครียดไปแล้วฮะนะหยุดพักก่อนนานเท่าไหร่ฮะให้หายเครียดก่อน <c oughs> พอหายเครียดแล้วนี่นะพอใจเรามีความรู้สึกต่างๆไหลามาเราก็ค่อยรู้ ถ้ายังเครียดแล้วก็คงที่เครียดนิ่งๆ อ, อย่างเงี้ยดูอะไรไม่ได้แล้ววิหารธรรมที่ควรจะใช้คะตอนนี้ไปรู้สึกร่างกายบ่อยๆไปทำงานหา ง, งานทำให้มันเหนื่อยๆจะได้คลาจากการเพ่งเอาไว้หา ง, งานทำไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรีนต่อคือแก้ตรงที่เพ่งนี้ก่อนติดเพ่งถ้าติดเพ่งมันเดินปัญญาไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกพอเราเพ่งนะั้นมันก็นิ่งไปหมด ใจในิ่งใจในิ่งแล้วก็ไม่มีความสุขแข็งแข็งทื่อๆเครียดเครียดมากๆไม่ดีงั้นตอนนี้ลืมลืมเรื่องปฏิบัติไปหางานบ้านทําไปนะทํโน้นทํานี้ไปก่อนแล้วก็ต่อไปก็ค่อยๆรู้ทันความรู้สึกของเราหาหนังมาดูบ้างก็ได้นะไปดูดูหนังก็ยังดูหนังก็ยังปฏิบัติต <laughs> ไ, มไม่ใช่ค่ะเวลาจิตมันออกไปก็ยังยัง พยายามจะรู้อมันมันสนใจปฏิบัติมากอ่ะมันดีนะแต่มันปฏิบัติมันก็ต้องมีเบรกบ้างปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนมันก็เครียดเกินไปของโยมเต่นี่มันไปนติดเพ่งนะแต่ว่าเพ่งไม่แรงนะเพ่งไม่แรงไม่ต้องกังวลหรอกไม่นานก็หายตอนฟังหลวงพ่อเทศว่าออปฏิบัติเพ่งมากๆแล้วจะเข้าโรงพยาบาลบ้าก็กลัวมากอนะเราอย่าไปปฏิบัติมันค้งแรก<ะ>ลืมเคาว่าปฏิบัติไป พวกเราพลาดตรงที่เราคิดว่าการปฏิบัติธรำเนี่ยคือการทําอะไรที่ผิดธรรมดาเช่นจะหายใจก็ต้องหายใจไม่เหมือนคนธรรมดาจะเดินก็ไม่เหมือนคนธรรมดาจะนั่งจะนอนไม่เหมือนคนธรรมดาคําว่าปฏิบัตินี่มันมาหลอกหลอนเราแท้จริงคําว่าปฏิบัติหมายถึงการมีสติรู้อยู่เฉพาะหน้าเทาเองคำว่าปฏิแปว่าเฉพาะบัตแปลว่าถึงแล้วควรปฏิบัติในรูปแบบไหมคะนนส่วนคน ทันทีหยุดทุกอย่างไม้ก่อนนะส่วนมลอย่างเดียวแล้วก็รักษาศีลห้าไว้แล้วออกไปกระทบอารมณ์บ่อยๆพอกระทบอารมณ์แล้วใจเรากระเทือนขึ้นมายินดียินร้ายขึ้นมาเราก็ค่อยรู้เอาเนี่ยเราค่อยกลับมาปฏิบัติตรงนี้ขอบพระคุณค่ะร้อยห้าสิบเจ็ดน้ำการหลวงพ่อครับคือก้าผมปฏิบัติตามซีดีที่ผมได้รับมาจากคําสอนของหลวงพ่อ พยายามจะทำปิดให้มันนิ่งแต่มันไม่นิ่งครับฮะฟังซีดีหลวงพ่อใหม่นะหลวงพ่อบอกอย่าไปนิ่งไม่ใช่ไปทําให้นิ่งนะทําให้นิ่งมันก็เป็นสมถะพยายามจะทําให้มันนิ่งครับแต่จิตมันมันไปเร็วมากครับแล้วเราพยายามรู้ทันนะจิตวิ่งไปวิ่งมาเราคอยรู้เรื่อยๆรื่อเราไม่ไปพยายามทําให้นิ่งนะครับดูมันทํางานไปเห็นไหมมันวิ่งไปวิ่งมา มันไปเร็วมากครับโอ้มันเร็วพระพุทธเจ้ายังบอกเลยว่าจิตนะอาศัยอยู่ในกายเนี้ยเที่ยวไปรวดเร็วมือระดับพระพุทธเจ้ายังบอกว่าเร็วมันต้องไม่ไม่ช้าแน่ฮะงงั้นเราก็ดูมันไปเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันวิ่งไปเดี๋ยวมันวิ่งมาเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันฟุ้งซ่านดูให้เห็นไปเรื่อยว่ามันเปลี่ยนแปลงของมันได้เองมันทํางานของมันเองดูไปอย่างนี้นะไม่ใช่ไปดูให้นิ่งครับ ร5อยห้าสบสองดีนะที่มาถามเนี่ยไม่งั้นฟังจบแผนเราก็นิ่งไปเลยแย่เลยกลบาบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะอยู่ไหนยกมือให้ดูอก็หนูตามดูตามรู้จิตมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าคือหนูเป็นคนที่ขี้งุนหงิดมากค่ะหนูก็จะเห็นคือหนูจะเห็นโทษะบ่อยอะค่ะหลวงพ่อก็ดีเนี่ยค่ะ แล้วก็มีคือที่หนูสงสัยคือบางทีเวลาแบบคือหนูเป็นคนมีโทสะเยอะแล้วพอเวลาแบบเวลาสมมติเวลาเราเจอคนค น, นึงอะค่ะหลวงพ่ อ, บ า, อบางทีเขาเหมือนเขายังไม่ได้ทันจะพูดหรือยังไม่ได้ทันจะทําอะไรเลยแต่ว่าแค่เราเห็นหน้าเขาเราก็หงุดหงิดแล้วอย่างเงี้ยค่ะให้เราดูใจเราะ <c oughs> พอเห็นหน้าเขาใจเราหงุดหงิดเราก็ดูไปเราก็เห็นเลยจิตมันหงุดหงิดได้เองค่ะแม้เขาไม่ทันทําอะไรเลยจิตก็หงุดหงิดได้ค่ะดูไปเพื่อให้เห็นว่าจิตนี่ไม่เคยเที่ยงเลย ก็คือดูไปเฉยๆอย่างนั้นนหะคะ่ะใช่เห็นไหมจิตทํางานได้เอง ค, <ะ>คนขี้โมโหเนี่ยจะเป็นพวกที่ปัญญากล้าหนึ่หนึ่งพวกปัญญากล้าเนี่ยดูความเป็นอนัตตาไว้<ะ>มันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานเองมันโมโหเองค่ะ<ว>ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วหนูสงสัยอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเวลาที่เราโมโห <multimedia> แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือมันจะมีความคิดแบบผุดขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นคําพูด ที่ที่เหมือนเวลาพูดออกไปแล้วมันจะทําให้คนฟังรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเรารู้ตัวเราโมโหแล้วแล้วเร า, แ ล, เราแล้วเราห้ามตัวเองไว้ไม่ให้พูดอย่างเง้ยเราไม่พูดนะถ้า <c oughs> พูดเราผิดศีล <c oughs> แต่เราไม่ห้ามจิตคิดค่ะงั้นในจิตเนี้ยมันคิดคําด่าออกมาเยอะเลยค่ะ <c oughs> เราก็เห็นเลยจิตมันด่าได้เองคนะแต่ปากเราไม่ด่านะเราเห็นจิตมันดา่าจิตมันพูดได้เองรู้สึกไหมมันคิดได้เองค่ะเนี่ยเราเห็นไตรลักษณ์นะ เราเห็นความเป็นอนัตตาของมันมันทํางานเองก็ปล่อยให้มันคิดไปอย่างนั้นใช่ไหมให้มันคิดไปแล้วมีคอยรู้ทันนี่แกคิดได้สารพัดเลยดูไปรู้ทันแกแล้วบางทีหนูแบบเหมือนหนูหนูดูบ้างไม่ดูบ้างเนี้ยค่ะคือหนูจิตหนูขี้เกียจหรือเปล่าคะเป็นทุกคนเลยค่ะโยเว้นพระอรหันต์ค่ะเองหนูขอขออยากกลับขอกันว้านหลวงพ่อไปดูจิตออกนะค่ะแล้วก็อย่าไปบังคับมันค่ะถือศีลไว้ก่อน เวลาโมโหขึ้นมาเราจะได้ไม่ไปด่าใครไม่ไปตีใครในะมีศีลไห้อยห้าสิบหกศีลสำคัญนะบางคนจะเจริญแต่ปัญญาละเลยศีลยกมือไว้ร้อยห้าสิบหกคนไม่มีศีลภาว น, นาไปไม่รอดหรอกสติสมาธิปัญญากลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปหมดเลยถ้าไม่มีศีลค่ะกับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือวันนี้มีโอกาสได้มาฟังเทศหลวงพ่อเป็นครั้งแรกค่ะ ขอสารภาพจริงๆเลยว่าเมื่อเช้านี้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะแต่ว่าค่ะแต่ว่าสามารถแต่ว่าจับคำได้ว่าเราต้องรู้ทันจิตใจมีสติคืออยากจะกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าอย่างนี้หนูควรจะเริ่มต้นแค่ว่ารู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรแล้วก็มีอารมณ์ยังไงหรือเปล่าคะให้รู้ว่ามีความรู้สึกยังไงนะค่ะไม่ใช่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรนะนี่ไม่เคยฟังหลวงพ่อหรือก็จริงๆฟัง เอ็มสามฟังซีดีมานิดหน่อยอะค่ะจิตมันเริ่มตื่นแล้วนะค่ะจิตมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วไปฟังอีกแล้วก็คอยรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆค่ะแล้วขออีกคําถามหนึ่งค่ะคือช่วงนี้รู้สึกว่าอารมณ์ไม่ค่อยคงที่มีแบบความรู้สึกโกรธกิจ<ม>ฉาขึ้นมาเยอะอย่างนี้คือเรารู้ทานแล้วเราควรจะหยุดไหมคะจิตมันเศร้าหมองมันครอบงํำอยู่นะความเศร้าหมองมันครอบงําจิตอยู่ให้มีสติรู้ทานไปค่ะอย่าไปเกลียดมันอื ไม่ใช่ไปดูว่าเมื่อไหร่จะหายสักทีจิตมันเศร้าหมองรวกไหมอย่าไปเกลียดมันนะแค่รู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยมันไปนะคะปล่อยมันไป let it go อือค่ะขอบพระคุณค่ะร้อยหนึง่งทขาดสติบ้างยกมือซิเนขี้โกง <laughs> ยกแล้วนะเออ อ่า่าาวไปนึงกราบนมัส ก, การหลวงพ่อนะคะเพิ่งมาครั้งแรกอ่ะคะ่ะฟังซีดีมาได้ประมาณเดือนหนึ่งตอนนี้ตื่นเต้นก็เมื่อเชาวที่หลวงพ่อเทศว่าแบบมันทํางานของมันเองอะคะ่ะก็เริ่มรู้สึกว่าเออหายใจมันก็หายใจของมันเองอืบางทีจิตมันคิดนู่นนี่ขึ้น ม, มามันก็คิดขึ้นมามนของมันเองบางทีก็เป็นอกุศลทั้งนั้นเลยจนเหนื่อยออมันเป็นอกุศนตลอดอนะ เพราะว่าตอนที่มันคิดเนี่ยจิตเราหลงไปตรงที่หลงก็เป็นอกุศลเรียบร้อยแล้วค่ะแต่บางทีคิดไปหลงคิดนะเป็นอกุศลแต่ไปคิดเรื่องดีๆก็ได้กลายเป็นกุศลก็ได้ที่สําคัญที่สุดคือจิตไปคิดเราก็รู้ทันตัวนี้เราพิเศษที่สุดแล้วแล้วมีวันหนึ่งคือรู้สึกว่าเศร้าหมองอะค่ะก็รู้สึกเห็นขบวนการของกิเลสมันแบบอืมันมาทั้งวันเลยพอเรามีสติปุ๊บ มันมาอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงมันก็จะมีภาพในอดีตที่เราแบบรู้สึกแย่มันก็จะมาอีกนะคะเห็นไหมภาพนั้นจะมาเราก็ห้ามไม่ได้สัญญาเก่าๆจะผุดขึ้นมาเราห้ามไม่ได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยแสดงไกลลักษณ์อยู่แล้วะเราเรียนจนกระทั่งใจเรายอมรับความจริงนะว่าเราบังคับมันไม่ได้เมื่อจิตเรายอมรับความจริงได้มันจะวางตอนนี้มันยังไม่ยอมมันยัอยากบังคับเช่นอยากให้ดีตลอดเวลาอยากให้สุขตลอดเวลา ดูไปจนเห็นเลยมันบังคับไม่ได้หรอกเราโทรสารหนูก็เร็วเหมือนกันแต่เดิมแต่เดิมมันก็ร้ายนะแต่มันไม่เห็นตอนนี้มันเห็นแล้วล่ะมีคนรอบๆตัวเขาชมบ้างอย่างว่าเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นมีบ้างไหมออนนี่มีชมเขาเรียกว่าผลัดเป็นเขียนเวียนกันอ่านวานกันชมมาด้วยกันบางครั้งจิตมันสอนทำม้ามันเองว่าพูดขึ้นมาเองอ๋อเออเราไม่สนใจนะ แล้วก็แค่เห็นว่าจิตทํางานได้เองไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้เรื่อยไปบางครั้งก็เดินจงกรมก็ให้กําลังใจตัวเองด้ว ย, ยว่างั้นแบบโชคดีนะได้เกิดเป็นมนุษย์อะไรอย่างนี้ใช้ได้อย่างนั้นใช้ได้ต้องรู้จักให้กําลังใจตัวเองเหมือนกันเราขอกันบ้านหน่อยค่ะเราไปดูจิตต่อไปแล้วเดินไปแล้วก็ดูจิตไปนะอ้เอาเบอร์หกห้ากลบนมัสการเจ้าค่ะมาครั้งแรกเจ้าค่ะ อสองอาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกในจิตว่ามีความเศร้าหมอง ม, มีโมหะราคะและโทสะซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะมีพิจิกิิชามานะบุทธทัจจะคือมันเกิดจากที่เรารักษาศีลห้ามาตลอดแล้ววันหนึ่งเราทำผิดแล้วเราก็รู้สึกแล้วก็ทุกคืนนะคะจะอาราธนาศี่ห้าหแต่ใจจิตมันไปนติดว่าเราทำผิด มันเศร้าหมองอมหลังจากนั้นการปฏิบัติก็แย่ลงคือนั่งสมาธิก็ไม่ได้ศีลนะเพราะไม่ไดเอาไว้กดทวงตัวเองนะ เ, <อ>เรามีศีลไว้กันไม่ให้เราทาผิดพลาดเพราะเวลาเราจเจริญนินัพานเราจะไม่เก็บกดเราก็มีศีลป้องกันไม่ให้ทําผิดทางกายทางวาจาไว้จิตใจเราก็จะสบายแต่เมื่อผิดศีลไปแล้วเนี่ยให้ลืมไปเลยนะ เวลาผิดศีลแล้วเราคิดซ้ำมันก็เหมือนเราทำผิดซ้ำขึ้นมาอีกจิตจะขึ้นวิถีที่เป็นอกุศลเหมือนเดิมเลยใช่ใช่เพราะเราอย่าไปคิดซ้ำเราไปคิดสิว่าวันอื่นๆเราก็รักษาศีลไว้ดีแล้ว<ช>คิดถึงไอ<ช>้ตอนที่มันดีสิทำไมไปคิดตอนใตร้ายก็ที่ปฏิบัติมาปีครึ่งนะคะก็มีความสุขเรื่อยๆจิตก็รู้สึกผ่องใสมีอะไรมากระทบก็ไม่ไม่ค่อยที่จะ มีโทสะบ้างแต่มันไม่ไม่รุนแรงเท่าเมื่อก่อนค่ะเมื่อพอมาถึงนะเมื่อเช้าเมื่อก้าวเข้ามาจิตก็เปลี่ยนจากความเศร้าหมองความที่ราคาโทสะข้างในโมหะความม่วงเหอะของ ม, มันก็หายไปตอนนี้จิตแจ่มใสเบิกบานค่ะหนูปฏิบัติที่ผ่านมานี่มีสิ่งไหนที่หนูควรจะปรับปรุงบ้างเจ้าคะไปดูไปไเรื่อยๆนะมันคือการเรียนรู้ตัวเองทำความเข้าใจจิตไป เห็นแต่ความไม่เที่ยงไหมเห็นแต่อนนตามันทํางานเองดูไปเรื่อยๆดีแล้วไปฝึก อ, อีกหนูควรจะพัฒนาตรงไหนเพิ่มอีกไหมคะทําในรูปแบบบ้างนะแล้วสังเกตจิตที่ไม่ตั้งมัน่นรู้สึกไหมจิตตอนนี้ไม่ตั้งมัน่นใช่ใช่ค่ะมันไปอยู่นอกๆใช่ใช่คถ้าจิตพอไปอยู่นอกๆ น, นะจะโลง่ลงๆว่างๆแล้วมีความสุขเบาๆเออถ้าไปติดตรงนี้แล้วเสร็จเลยนะจะไม่ยอมเดินตัญญาต่อแล้วจะขี้เกียจปฏิบัติ จะเอาแต่ความสุขงั้นให้ระวังตัวนี้ไห้แล้วทำยังไงถึงจะกลับมาตั้งมั่นได้พอหนูจะทำส ม, สมาธิ ม, มันอิในในการคุยละค่ะเนีย่ยนะรู้ทันอย่างเนี้ยค่ะถ้าเมื่อไรรู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองไม่ต้องดึงนะเนี่ยเมื่อกี้ตั้งขึ้นมาแวบหนึ่งรู้สึกไหมค่ะนั่นแหละตั้งพอดีเป๊ะเลยแต่มันอยู่เป็นขณะขณะเห็นไหมไม่ตั้งละไหลไปแล้ะรู้สึกหม อย่าดึงเอาไว้นะไม่ประคองไว้แค่รู้ว่ามันไหลไปมันจะพอดีของมันเองแต่พอดีก็พอดีแว บ, บเดียวเดี๋ยวก็ไหลอีกไหลอีกรู้อีกค่ะเอาต่อไปขอบพระคุณเจ้าค่ะเบอร์179นระัมิสการหลวงพ่อครับก็ช่วงนี้รู้สึกแบบหมดเรี้ยวหมดแรงแล้วก็เหมือนภาวนาไม่เป็นคนระับแล้วช่างมันเป็นอะไรเรื่องของมันเราก็แค่รู้ว่าตอนนี้ภาวนาไม่ไหว รู้ว่าใจไม่ชอบใจอยากภาวนาให้ได้รู้ว่าใจอยากเนี่ยรู้ว่าใจไม่ชอบรู้ว่าใจมีความอยากแค่นี้ก็ภาวนาได้แนละ้วในความเป็นจริงแล้วสภาวะนะเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่เคยว่างจากสภาวะเลยรูปธรรมนามธรรมเนะี่ยเกิดดับไปเรื่อยๆไม่ขาดช่วงหรอกแต่บางครั้งเราหมดเรี่ยวหมดแรงเราก็ดูไม่ออกเราก็ถ้าเรารู้ทันว่าตอนนี้ดูไม่ออกนะนั่นดูออกแล้วนะใจเราเป็นกลางใจเราไม่ได้เกลียดการที่รู้ได้ไม่ชัด ใจก็ไม่ดินน้นรนใจมีความสุขขึ้นมาเรารู้ว่ามีความสุขก็กลับมาดูได้อีกงั้นเวลาภาวนาเนี่ยบางครั้งเหมือนจะรู้ตัวได้ตลอดเวลาบางวันก็เหมือนภาวนาไม่เป็นสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นกับทุกคนนะแล้วทุกขั้นของการปฏิบัติด้วยบางวันเหมือ น, นอีกนิดเดียวจะเกิดมรรคผลละขาดอีกนิดเดียวรู้สึกอย่างเงี้ยความจริงรู้สึกผิดรู้สึกอีกนิดเดียวอีกวันหนึ่งภาวนาไม่เป็นเลยนะปกติ พอภาวนาไม่ได้รู้ว่าภาวนาไม่ได้อยากภาวนาให้ดีรู้ว่าอยากแค่นั้นแหละพอแล้วเราอยังอยู่ในร้องเลยหรออยู่สิเบอร์สี่สิบสองครั้งแรกคือส่งการบ้านหลวงพ่อไปว่าความอยากมันใช้งานหนูมากเลยค่ะดีสิจนจนหนูได้มาส่งการบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าภาวนาไม่ยากแต่ว่าเราใจร้อนไปก็เลยกลับไปฝึกให้ลดลง จากความใจร <itor> ้อนของตัวเองอะค่ะฝึกยังไงอย่ า, อยาบอกบ้างสิก็คืออย่างเช่นอยากอ่านหนังสืออยากฟังซีดีคือเรียกว่าตอนนี้ซีดีของหลวงพ่อเนี่ยจมแช่อยู่ในรถแล้วก็ที่บ้านเลยอะคะ่ะ <moms> ทุกเวลาที่ว่างก็คือเปิด <hmm> ตอนนี้ก็คือลดล ด, ล, ดลงลดความอยากของตัวเองให้มันลดระดับลงมานิดนึงอะค่ะไม่ใช่ลดความอยากโดยไม่ฟังซ <y> ีดีนะไม่ฟังอยู่ค่ะแต่ว่าแต่แต่ให้อยากค่ะ แต่คือลดลดลดลดจากเดิมลงมานะคะไม่ได้จงใจลดหรอกถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตอยากนะความอยากก็ดับไปค่ะแต่มันก็ยังอยากจะฟังอยู่ไงคะเออฟังฟังสมควรฟังก็ฟังค่ะไม่ได้ฟังเพราะอยากค่ะแต่เวลาจิตเกิดความอยากขึ้นมาให้รู้ทันค่ะหนูก็ภาวนาดีขึ้นน่ะรู้สึกไหมรู้สึกมากค่ะนั่นแหละพยายามอีกค่ะแล้ว ที่ที่หนูทํามาตลอดเนี่ยที่ว่าหลวงพ่อบอกว่าดีขึ้นแล้วมันมีจุดไหนที่มันเป็นจุดที่เราจะต้องไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงอีกนะคะค่อยๆดูไปเ น, นี่ยตอนเนี้ยกดเอาไว้นิดนึงดวออกไหมค่ะแค่รู้ทันนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรผิดแล้วคําว่าตั้งมั่นเนี่ยหนูพยายามสังเกตตัวเองแต่ว่าหนูหนูหนูเจอตรงนั้นหรือเปล่าคะเจอสิ สังเกตถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตไหลไปนะมันก็จะตั้งขึ้นมาแวบหนึ่งเพราะภาวะมันเกิดขึ้นสั้นนิดเดียวเยอะมากเลยค่ะเยอะเยอะแล้วมันหลากหลายคือจิตยิ้มจิตสนุกจิตสลดจิตหดหูรุ้มจิตสั้นแล้วค่ะค่ะรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้แหละใช้ได้แล้วดีไปทําอีกขอบพระคุณสามสิบหนึ่งทําเพื่อตัวเองนะไม่ใช่เพื่อหลวงพ่ออยู่ข้างหน้าส่งมาข้างหน้า เรียนๆไว้หน้าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตการนมัส ก, การเจ้าค่ะลงมักที่นี่ครั้งแรกปกติช่วงก่อนก็มีปฏิบัติออนั่งสมาธิแต่ว่าจะปวดหัว<ม>ทุกครั้งเลยที่ที่นั่อย่าไปนั่งสินั่งแล้วปวดหัวไปนั่งทำไมอ่ะไปหางานทําไปเช่นเรากวาดบ้านอย่างเงี้ยกวาดๆไปแล้ ว, ลวก็โมโหว่าคนอื่นมาทําสดปลกอะไรเงี้ย ถ้าใครรู้ทันใจของเราลดการปฏิบัติในรูปแบบไปก่อนนะเพราะว่าใจเราที่ฝึกมาก่อนเนี้ใจมเข้าไปล็อกอยู่ในความเสื่องเสื่องซึมซึมไม่ดีแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีช่วงมีจิตที่ค่อนข้างเศร้าหมองนั่นแหละไม่ดีหนะยุดไปก่อนแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายนะแล้เห็นร่างกายนี้ทํางานไปเรื่อยใครตามรู้ตามดูมันไปเรื่อยตอนนี้ไปดูจิตยังไม่เหมาะเพราะถ้าไปดูจิตจะไปเพ่งใส่จิต นึกออกไหมจะไปเพ่งมันไม่ได้ดูมันออกเพราะฉะนั้นตอนเนี้มารู้สึกที่กายบ่อยๆไว้แล้วต่อไปความรู้สึกอะไรพุดขึ้นมาก็รู้ทันอย่างเมื่อกี้รู้สึกไหมมันมีความพอใจพุดขึ้นมานิดนึงเนี่ย แ, แค่รู้อย่างเนี้ร้อยสี่สิบสี่กานมัสการหลวงพ่อครับมันอยู่ๆก็ตื่นเต้นนะครับรตึกๆๆไม่มีเหตุเลยเหรอ <laughs> ครับ แคอยากจะเรียนถามหลวงพ่อครับว่าที่ปฏิบัตินี้มันมาถูกทางหรือเปล่าครับพานามาตั้งนานแล้วตอบตัวเองได้ไหมล่ะมันบางทีมันก็มันไม่ค่อยแน่ใจครับบางทีรู้สึกว่ามันมันดีบางทีมันก็แย่ไปเลยครับดูไปสิมันมีแต่ของไม่เที่ยงไม่ได้พาวนาเอาดีนะครับที่พาวนาอยู่ทุกวันนี้ใช้ได้แล้วละ่ะครับไปดูบ่อยๆขับอัปมาครับเบอร์ยีสิบนมัสการค่ะหลวงพ่อ ประสงค์การบ้านครั้งสุดท้ายคือเมื่อวันสิ้นปีค่ะสะแล้วคราวนี้ก็หกเดือนแล้วค่ะ mm hmm. ก็คือรู้สึกว่าทําการบ้านทุกวันมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็หลงบ่อย mm hmm. พย า, ยามเรียกกลับให้มาอยู่กับลมหายใจ mm hmm. บ่อยๆแต่สิ่งที่เห็นจิตคือเห็นแต่เป็นโมหะค่ะ mm hmm. บางวันมากวันบางวันน้อยเห็นอยู่แค่เนี้ยค่ะว่าเป็นโมหะแล้วก็ไม่หายแต่ไม่ได้อยากให้หายนะคะอันนี้ mm hmm. แต่เป็นว่าดูแล้วมันก็ mm hmm. ก็มันเห็นอยู่อย่างเดียวค่ะที่ชัดๆเห็นอย่างเดียวจริงๆค่ะก็เลยไม่รู้เห็นมานานแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงสังเกตไหมล่ะเราภอนาจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วเห็นไหมเราก็ดูอันเดียวนี่แหละแล้วมันก็ดีขึ้นเองแหละไม่จําเป็นต้องดูหลายอย่างหรอกเวลาที่เราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราใช้อารมณ์กรรมฐานคู่ใดคู่หนึ่งก็พอแล้วเช่นจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะ เราเห็นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเห็นโมหะมากโมหะน้อยเดี๋ยวโมหะหายไปเดี๋ยวก็โมหะมาอีกเอาตัวนี้แหละเป็นวิหารธรรมนะแล้วจิตใจเราก็พัฒนาไปเองเลยค่ะมีคําถามค่ะคือว่าที่บอกว่าหลงหลงแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจอันนี้คือสมถะใช่ไหมคะถ้าจงใจไปอยู่นะเพราะว่ากลัวจะหลงเนะี่ยอันนี้เป็นสมถ ะ, ะแต่ถ้าพอหลงไปแล้วรู้สึกตัวว่าหลงแล้วมันกลับไปหาลมเองด้วยความเคยชินอันนี้ไม่เป็นไรค่ะนะ เป็นอย่างนั้นแหละคนที่เล่นลมมาก่อนพอพอหลงไปพอรู้พปุ๊บก็กลับมาอยู่ที่ลมค่ะเป็นปกติแต่ว่าอย่าไปจงใจอยู่ที่ลมเพื่อไม่ให้หลงนะเอาแค่ว่าจิตไปอยู่ที่ลมก็รู้จิตหนีไปจากลมก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้รู้ลมหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตไม่ใช่รู้ลมหายใจเพื่อบังคับจิตเพราะว่าหลายครั้งคือพยายามเรียกให้อยู่กับ กลับมาที่ลมค่ะ น, น, นั่นแหลจงใจ อ, นนอันนั้นคือผิดใช่ไหมใช่ใจเราถึงทื่อๆรู้สึกไหมรู้สึกค่ะใจมันจะทื่อยิ่งไปจงใจอย่างนั้นแล้วใจทื่อๆแล้มันจะเกิดโมหะมากขึ้นเรียกว่าโมหะสมาธินะค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้หลงให้รู้ว่าหลงหลงแต่ถเสร็จแล้วจิตวกไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตวกไปอยู่กับลมหายใจค่ะจิตทิ้งลมหายใจรู้ว่าจิตทิ้งลมหายใจรู้ทันจิตไว้ไม่ใช่รู้ทันลมค่ะ หลายี่สิบขอบพระคุณค่ะนำมาสการหลวงพ่อค่ะพอดีวันนี้ได้มาดูอารมณ์ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะ อ, อยากรู้ว่าที่โยมปฏิบัติอยู่ตัวรู้เนี่ยถูกต้องไหมคะตัวรู้เหรอค่ะ ต่ไปยุ่งอะไรกับตัวรู้วะก็คือว่าเวลาปฏิบัติใช่ไหมคะเวลาถ้าจิตเกิดความรู้สึกน้อยใจเนี่ย ม, มันเกิดความรู้สึกว่าตัวน้อยใจก็คือน้อยใจแต่พ อ, อพอเวลาเรารู้สึกก็คือมันแยกออกมาคนละส่วนนะคะใช่แต่ว่ามันแยกได้เก่งแล้วนะแต่ <c oughs> เราไม่รักษาให้แยกตลอด <c oughs> มันจะรวมก็รวมมันจะแยกก็แยก <c oughs> ไม่ประคองไม่รักษาตัวรู้ไว แล้วถ้าสมมติเวลาจิตเนี่ยเอย้เวลาเราจิตเรารู้สึกว่าตอนนี้สึกตื่นเต้นนะคะแต่บางทีมันคิดเนี่ยมันจะสลับกันไปสลับกันมาบางทีมันไม่รู้จะจับที่อารมณ์ไหนมันก็มารู้ที่การเคลื่อนของกายนี่มันคือเราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้จิตไปรู้อยู่ที่กายก็รู้ว่าจิตไปรู้อยู่ที่กายไหมก็มยังรู้ทันจิตอยู่ค่ะไม่ใช่เพง่งใช่ไหมคะถ้าเพ่งเนี่ยใจจะหนักหนักขึ้นมาค่ะแลนะวัดด้วยตัวเองได้เลย ถ, ถ้าหนักหนั ก, นกแน่นๆขึ้นมาเราก็เพ่งแล้ว ก็เลิกไปก่อนอืออยากได้การบ้านนะคะหลวงพ่อที่ทําอยู like> ่นี่ก็เยอะแล้วไปทําอีกนะเท่าที่ทําอยู่นะมันก็พอเกิดมรรเกิดผลได้แล้วะการที่เห็นว่าเดี๋ยวก็จิตก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวจิตตัวรู้ก็ไหลเข้าไปรวมกับลมเดี๋ยวก็แยกออกมา ฝึกแค่นี้แหละก็พอละแล้วตอนอย่างกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะเวลายมจะนั่งสมาธิใช่ไหมคะจะไปดูที่ลมหายใจบางทีมันไปจับที่เสียงบางทีมันก็กลับจับที่ลมหายใจบางทีรู้สึกกลัวผีนี่มันก็จับที่ความกลัวให้รู้ที่ให้รู้จิตไปจิตกลัวก็รู้จิตเป็นอะไรก็รู้ไม่ให้จิตไหลไปจับนะค่ะถ้าจิตไหลเข้าไปจับความกลัวรู้ว่าจิตไหลเข้าไปอให้รู้ทันจิตไว้ค่ะแล้วความกลัวเนี่ยเวลามันกลัวเยอะๆมันนั่งไม่ได้อะค่ะหลวงพอ่อนั่งไม่ได้ก็ ยืนเดิน <c oughs> ไม่นอน <c oughs> กลัวตรงไหนนะถ้ากลัวผีนะถ้าคิดว่าผีอยู่ตรงไหนเราเดินไปดูวันหลังเราก็เลิกกลัว <c oughs> แต่ถ้าคนอยู่ที่ไหนนะต้องระวัง <c oughs> คนร้ายกว่าผีนะค่ะขอบคุณค่ะสี่สิบหกผียังไม่ฆ่าใครคนมันฆ่าได้ <c oughs> ผีแผ่ส่วนบุญก็รับคนแผ่ก็ไม่รับ มีสัตว์สองชนิดนะที่แผ่ส่วนบุญแล้วไม่ค่อยรับแผ่เมตตาไม่ค่อยรับคือคนกับควายมีอยู่สองตัวบัวนี่รับเก่งค่ะสองกันบ้านเจ้าค่ะที่มาอยู่วัดเมื่อต้นเดือนนะเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ให้กลับไปดูจิตแล้วคราวนี้ก็เห็นว่าบางทีจิตกับอารมณ์บางทีมันไหลไปรวมกันแล้วก็เห็นนะเจ้าค่ะแล้วคราวนี้เวลานอนเนี่ยจะเห็นว่าร่างกายมันเหมือนจิตเราตื่นแต่ว่าร่างกายเรามันนอนไปเอแล้วคราวนี้เวลาฝันนะเจ้าค่ะอ พอจะตกใจมันมีจิตตึงไปรู้ว่าจะตกใจว่าอ้านี่ฝันนี่นา ย, ยานี้เออจ้าค่ะก็ดีแล้วนี่ก็แล้วคราวนี้แต่ว่าเวลาที่เราอยู่บางทีเผลอไปกับรู้ไปอย่างนี้เจ้าค่ะก็ไปฝืดไปใช้ได้<ก>ล้ว ด, ดูจิตไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะดูจิตไปเรื่อยๆอาเบอร์ยสิบเจ็ดนรมาสการครับมาส่งการบ้านคราวที่แล้วอ่ หลวงพ่อบอกว่าจิตไม่มีแรงแล้วก็กดไปตอนนี้บริกรรมพุทโธอยู่จิตมีแรงขึ้นแล้วครับแต่ยังกดอยู่อะไรนะยังกดอยู่หน่อยๆครับมีแรงแต่ยังกลัวเออกลัวแล้วก็ถ้าเกิดบริกรรมพุทโธไปอย่างเงี้ถ้าเกิดใจไม่แข็งเลี่ยผมพุทโธทั้งวันเลยได้ไหมครับได้พุทโธไปตลอดทางปฏิบัติเลยก็ได้แต่ไม่พุทโธเพื่อให้จิตนิ่งนะพุทโธเพื่อจะรู้ทันจิต พุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านหรือว่าจิตฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธจิตสงบหรือว่าสงบพุทโธแล้วจิตไิคิดหรือว่าจิตไปคิดพุทโธเรารู้ทันจิตครับนะฝึกอย่างนี้ก็ไปได้ตลอดสายของการปฏิบัติเลยตั้งแต่ต้นจนจบเล ย, ยอย่างนี้เรียกว่าตื่นหรือยังครับตอนเนี้เพ่งอยู่ไม่ตื่นหรอกขอบคุณครับแต่ว่าตอนที่อยู่บ้านเนี่มันตื่นแล้วจิตมันเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหมมันตื่นครับมันตื่นแล้วแหละแต่ตอนเนี้ไม่ตื่นเพราะกลัวหลวงพ่อขอบคุณครับ เนี่ยแหละเรียกว่าเจอหน้าหลวงพ่อแล้วฝันร้ายไม่ตื่นแต่สิบเอ็ดค่ะคือหนูรู้สึกว่าครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกให้ดูกายด้วยค่ะแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่ามันรู้อะไรบัวแล้วยุ่งไปหมดเลยอะค่ะบางทีมันก็รู้ว่ารู้ว่า รู้ว่ารู้อารมณ์อ่ะรู้นูรู้นี่แต่พอมาดูกายเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรู้แขนรู้ขาอะไรดีไม่แค่รู้สึกถึงว่าร่างกายยังมีอยู่เท่านั้นไม่ได้ไปดูแขนดูขาหรอกอย่าลืมร่างกายไปลืมกายเวลาเราขาดสติรู้สึกไหมมันลืมกายลืมใจใอย่างน้อยใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยเรายังรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายอยู่มันจะไม่ฟุ้งมากหรอกจิตของคุณช่วงนี้เปลี่ยนจากคราวก่อนนึกออกไหมนั่นแหละที่ฝึกอยู่ถูกต้องแล้วนะ พยายามรู้สึกถึงกายบ่อยๆไม่ใช่เป็นมือดูมือดูเท้านะรู้ว่ามีตัวเราอยู่จับผมอะไรอยู่อย่างนี้ เ, <อ><ช>เห็นได้ตัวนี้อยู่เนี่ยเห็นตัวนี้มันกระตุกกระดิกไปค่ ะ, ะแล้วถ้าเวลาแบบว่างหนูก็เหมือนแบบใจมันเหมือนมันมีความอยากที่อยากจะทําตลอดเวลาอย่างถ้า<ห>ว่างปุ๊บ<ห>มันก็เหมือนพยายามจะรู้ว่าหาใจเข้าหายใจออกให้รู้ว่าอยากไ<ะ>เลยนะพารู้ทันว่าอยากแล้วก็รู้ทันการหายใจเข้าหายใจออกไปอ หายใจเข้าหายใจออกแล้วจิตเราเป็นไงเราก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็ <c oughs> เห็นร่างกายนี้มันหายใจใจเราเป็นแค่คนดูรู้สึกไหมตัวนี้มันหายใจใจเราเป็นคนดูให้ฝึกอย่างนี้ไปได้เราเวลาเดินที่คือคือเราเรื่องเวลาเดินนะคะพยายามคิดว่าเอ๊ะอย่างถ้าเดินเนี่ยทายังไงให้เดินที่เป็นประโยชน์เป็นเดินจงกรมดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วพอเริ่มเดินเนาะมันก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เราเดินอยู่เนี่ยมันเดินจงกรมหรือเปล่าไม่ใช่ จงกลมแปลว่าก้าวไปทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกรมทั้งสิ้นเลยสมมติว่าจะเดินไปช้อปปิ้งนะเดินเข้าไปในศูนย์การค้าเห็นร่างกายเดินไปเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกเดินจงกรมอยู่เดินเดินไปแล้วเห็นของสวยเห็นกระเป๋าสวยใจอยากได้รู้ว่าอยากได้เดินเข้าไปดูอยู่านี้รู้ทันกายรู้ทันใจอยู่ก็เรียกว่าเดินจงกรมอยู่้เดินกลับไปกลับมาแล้วไม่มีสติไม่เรียกว่าเดินจงกรมเรียกว่าเดินเรื่อยเปื่อย ถ้าหนูนั่ง เ, เฉยๆแล้วหนูแค่รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นนั่งสมาธิใช่ไหมคะถ้ารู้อยูแ่แค่แค่นั้นก็ได้แต่ความสงบอแต่ถ้าจิตมันขยับตัวนิดนึงนะมันเห็นว่าร่างกายหายใจจิตเป็นแค่คนดูร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานี่มันเดินปัญญานะค่ะอมันมีความต่างกันนิดหน่อยขอวิหารละทางมาขอกันบ้า น, หา ไ, หนไหมปดูร่างกายไหมไป ด, ดูร่างกายบ่อยๆเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปสบายๆนะ ไปดูจิตตรงๆไม่ค่อยดีหรอกใจเราฟุ้งซ่าน ง, ง่ายร้ 108. อยแปดการนที่ส่งอันบ้านเสร็จนะั่นพพนานดีขึ้นเยอะแล้วนะรู้สึกเปล่าครับกอยาเรียนถามท่านอาจารย์นิดนึงว่าการที่เราสนทนากับใครก็ตามเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็แสดงว่าจิตเราไม่ได้ออกนอกใช่ัหมครับเราจะสนทนาไม่ได้ เวลาที่ก่อนที่เราจะพูดใช่ไหมเราต้องคิดก่อนมีตกพิจารณ์เนี่ยเป็นวจีสังขาครคือทําให้เกิดคําพูดขึ้นมามันต้องคิดเพราะในขณะที่คิดเราไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยในขณะนั้นจะไม่ได้เจริญสติไม่ได้รู้กายไม่ได้รู้ใจแต่พอเราพูดไปแล้วเราโมโหให้คนนี้ขึ้นมานะรู้ทันว่าโมโหเนีอย่างนี้ถ้าก่าเราเจริญสติอยู่ครับนะก็คำสามอีกสักคำสามนึงครับอยา ขอคําแนะนําพระอาจารย์ว่าการที่คารวะแบบพ ว, พวกเราอย่างนี้ยเราจะฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อให้ได้ฌา น, นี่ยก่อนที่จะก้าวสู่วิปัสสนาที่เข้มแข็งต่อไปเนี่ย อ, อ, อระหว่างที่เป็นปฏิภาคนิมิตเราจะหน่วงยังไงให้เข้าปฐุมฌานครับดูปฏิภาคนะเอาปฏิภาคนอารมณ์ไม่เอาลมหายใจเป็นอารมณ์ละ ไปเอาดวงนิมิตนั่นเป็นอารมณ์รู้ดวงนิมิตนั่นอย่างสบายใจเคล็ดลับอยู่ตรงที่สบายใจถ้าใจเราไม่มีความสุขไม่มีความสบายจิตจะไม่รวมนั้นเราดูดวงนิมิตไปนะดูไปอย่างสบายมีความสุขเห็นมันขยายบ้างเล็กบ้างนะขยับไปขยับมารู้ไปอย่างสบายรู้อย่างมีความสุขแต่ไปพอจิตมันมีความสุขแล้วจิตมันจะเคล้าเคลียอยู่กับดวงนิมิตเองนืว่าวิจาร นะวิตกคือจิตมันตรึกอยู่ในดวงนิมิตวิจารณคือจิตมันเคล้าอยู่ในดวงนิมิตโดยไม่หนีไปไหนมันจะมีปีติมีความสุขขึ้นมาใจมันจะเด็ดเดี่ยวเป็นหนึ่งอยู่กับปฏิภาคนิมิตนั้นก็นะฝึกอย่างนั้นแหละครับทําไมนะล่ะกะจะเอาฌานเะนือ <c oughs> เอาเอาปัญญาต่อไหมเอาปัญญาครับนะถัดจากนั้นนะเราก็รู้ทันมิตกวิจารณที่เกิดขึ้นนะวิตกวิจารณก็ดับไป ถัดจากนั้นเราก็มารู้ปิติปิติก็ดับไปนะมารู้ความสุขความสุขก็ดับเป็นอุเบกขานะถัดจากนั้น <c oughs> ค่อยเรียนก็แล้วกันครับเดี๋ยวคนอื่นอยากเอาอย่างไม่ดีครับเดี๋ยวไปเพียนกันหมดขอบพระคุณหลวงพ่อครับแค่นั้นไม่พอนะหลวงพ่อเล่นมาตั้งแต่เจ็ดขวบไปนั่นแหละงั้นไม่เอาเสียเวลาให้รู้ทันกิเลสของเราบ่อยๆไว้ครับนะเราจะพ้นทุกข์ได้ คุณไปเล่นปฏิภาคนิมิตนะไม่พ้นกิเลสไม่พ้นทุกข์หรอกครั บ, น <ะ S 2> บรุนี่กลับครว่าคุณหลวงพ่อครับส <37 S 2> ามสิบเจ็ดน้มัสการครับหลวงพ่อครับฟังซีดีหลวงพ่อได้หกเดือนแล้วครับก็สงการบ้านเปนครั้งแรกนะครับก็รู้สึกตัวก็ดูในชีวิตประจำวันครับเวลาทํางานก็ในรูปแบบก็คือหลังจากทํางานนะครับแต่ว่าในรูปแบบไม่จะเนานานรนั่งภาวนาเรื่อยๆนะครับ พอนั่งไปจิตมันก็จะรู้สึกนิ่งว่างอะไรนะครับดูลมหายใจไปเรื่อยแต่จะมีสภาวะหนึ่งนะครับจะจะกลัวมากครับรู้สึกว่าไม่รู้ว่ากลัวอะไรครับแต่มีท่อนหนึ่งนะครับเวลาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าให้ใจถึงถึงนะครับก็ดูว่าใจถึงถึงแต่ดูอีกก็ก็กลัวอีกนะครับอืมกลัวอีกก็เลยลุกขึ้นเดินเดินไปเดินมาในรอบห้องครับเดินไปเดินวนที่หลวงพ่อบอกครับเดินเป็นเลขแปดนะครับวนไปวนมา แล้วก็มานั่งดูอีกดูอีกก็กลัวอีกกลัวอีกกลัวรแล้กลัวอะไรก็เลยขอนอนดีกว่านอนดูร่างกายมันนอนนะครับอะไรนะกลัวแล้วทําำไรนะก็กลัวไม่ไหวแล้วก็นอนดีกว่าครับเพราะมันดึกแล้วนะครับรอ๋อมาตรการสู้ความกลัวครับก็ดูก็ดูร่างกายมันนอนไปจนอย่างนั้นก็ได้ <c oughs> มันถึงเวลานอนแล้วนี่ <Beifall S 1> ครับต่อไปเวลามันกลัวนะให้รู้ทันใจที่กลัวนะครับแล้วก็อยากให้หายกลัวให้รู้ทันใจที่อยาก เคยรู้ทันอยู่ที่ใจของเรานี่เองการภาวนาบางทีกลัวไม่มีเหตุผลเลยก็มีคือมันเริ่มเห็นความจริงของกายของใจนี่มากขึ้นมากขึ้นไม่ได้กลัวคนอื่นแล้วบางทีมันกลัวความจริงมันเห็นร่างกายแบบว่างๆไม่มีอะไรนะครับมันเริู้สึกกลัวขึ้นมาภาวนาอย่างนั้นภาวนาดีนะไม่ใช่ไม่ดีเมื่อภาวนาถูกต้องแล้วบางคนเกิดความรู้สึกกลัวกลัวความไม่มีตัวเรากายไม่ใช่เราแล้วใจไม่ใช่เราชักกลัวบางคนจะรู้สึกเบื่อ บางคนจะรู้สึกเกิดความรู้สึกเพ้องวางโหวงโหวงวังเ ว, ว, ว, ว, ว, ว, วงแต่ละคนรู้สึกไม่เหมือนกันหรอกรแต่พอมันกลัวเนี่ยให้รู้ทันอกไปที่กลัวอย่าให้กลัวครอบ ง, งําจิตรู้เฉยๆมันเป็นทางผ่านครัครครพอรู้แล้วบางคนกลัวนะเบอร์ร้อยหกสิบห้านมัสการครับหลวงพ่อ คือเคยได้มาส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อสี่เดือนที่แล้วหลวงพ่อแนะนําว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะครับส่งไปรู้ด้านนอกผมเองตอนนั้นก็เรียนหลวงพ่อตำตรงว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่จับใจความได้ว่าจิตไปรู้ข้างนอกก็เลยพยายามไปดูเวลาที่จิตไหลไปทางตาอ่าแน่นถูกต้องล้จิตไหลไปทางหูหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นตัวเองนั่งอยู่ เ, <อ>เริ่มเห็นตัวเองเดินค้าขายในบ้านนะครับหลวงพ่อ หลังจากนั้นก็เริ่มเวลานอนก็เริ่มรู้สึกตัวเองอขึ้นมานะครับก็เลยอยากจะเรียนหลวงพ่อว่าสี่เดือนที่ผ่านมาที่ผมไปดูเนี่ยไม่ทราบว่าทําถูกแล้วดูถูกแล้วนะรู้สึกไหมใจเราตั้งมั่นขึ้นมาใจเราอยู่กับเนอ้อกับตัวขึ้นมาพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันจะรู้กายมันจะรู้ใจได้จริงหนะลวงพ่อครับคือเมื่อสีเดือนที่ผ่านมาผมได้ปัญหามาจึงได้ได้ดีขึ้น ทุกวันนี้นะครับหลวงพอ่อก็เลยอยากจะขอปัญหาที่ผมติดหนักๆอยู่นะครับอย่าไปประคองจิตไว้เวลาเรารู้ทันว่าจิตหลงไปเป็นยังไงจิตตั้งมั่นเป็นยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติจะชอบจิตที่ตั้งมั่นและจะพยายามรักษาจิตให้ตั้งมั่นของคุณตอนนี้ก็พยายามรักษาจิตให้ตั้งมั่นอย่าไปรักษามันครับหลวงพอ่อฝึกตรงนี้แหละมัน<อ>จะตั้งมั่นขึ้นมาโดยเราไม่ต้องไปรักษามัน ถ้าไปประคองไว้ไปรักษาไว้มันจะไม่เดินปัญญาต่ตอจะกลายเป็นสมถะอีกแบบหนึง่งะจะเป็นสมถะประเภทเพ่งตัวผู้รู้ไว้เพ่งตัวผู้รู้นะครับเออแต่ของคุณยังไม่รุนแรงแะแล้วก็ผมไม่กลัวนะครับหลวงพ่อคือเวลาเห็นตัวเองอาบน้ําหรือว่าเห็นตัวเองนั่งไม่รู้สึกกลัวแต่รู้สึกว่าทํายังไงถึงจะพ้นให้ได้อืให้รู้ไปว่าใจมันเบือ่อ บางคนอยากพ้นไปใช่ไหมไม่ชอบมันเบื่อมันภาวนาถูกนะบางคนจะกลัวบางคนจะเบื่อบางคนจะรู้สึกว่ามันไร้สาระะแต่ละคนรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ภาวนาถูกนั่นแหละขอบพระคุณมากครับหลวงพ่ อ, อได้อีกหนึ่งคนเบอร์หกสิบสี่มือวัไวะได้คนเดียวแล้วนะหมนเวลาก็เออ วันนี้มันพลิกไปพลิกมาเจ้าค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยกลับไปดูเนี่ยย้อนลงมาไปเห็นความเป็นตัวเป็นตนของเรามันเโผล่ออกมาแวบๆแล้วก็มันใสๆเบาๆเจ้าค่ะอดีตนะอย่าไปประคองให้ใสให้เบาก็แล้วกันโผล่ขึ้นมาก็รู้ลูกเดียวเละเจ้าค่ะขอกันบ้านเพิ่มเจ้าค่ะเท่านั้นก็เยอะแล้วไปทำอีกาค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเป็นเกณไหมตัวตนจริงๆไม่มีมันผุดขึ้นมาเป็นคราว ค่ะไม่เจอเขามานานแล้ว่เจ้าค่ะเราก็เพิ่งผุดมาอถ้าเราไปเพ่งอยู่จะไม่เจอเจ้าค่ะแล้วเจียมย้งมือไว้นะเจียมอยู่ข้างหลังนะกราบนรรมะการค่ะคือพอดีวันนี้มันค่อนข้างจะง่วงค่ะแต่ก็ก็ฝืนอยู่ค่ะแต่ขณดอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มีแันท่าในการที่จะตามดูตามรู้อยู่ค่ะีแล้วก็จะเห็น เห็นการทีจร่จิตลรามันเผลอไปเห็นได้บ่อยขึ้นอืมดีไปฝึกอย่างนั้นแหละดีแล้ว อ, อ้าวคุณหมูส่งกันบ้านอุตสาห์มาจากเชียงใหม่ไม่สบายไปนานเลยคนนี้ก็ตอนนี้แล้วตอนก่อนผ่าตัดเนี่ยนะคะเออไม่ได้กลัวเลยเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบติไม่ได้กลัวตายอ่ะนะคะ แต่ก็คนรอบข้างเนี่ยกลัวอคนรอบข้างเนี่ยกลัวแต่ในใจเนี่ยไม่ตัวเองไม่กลัวตายแต่มีความรู้สึกว่าเออถ้าตายไปเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงสามีเป็นห่วงลูกนะฮะว่ากลัวเขาจะงงทำใจ<า>ไม่ได้เป็นห่วงค่ะอันนี้จะจะทำยังไงคะให้รู้ทันว่าเป็นห่วงถ้าจะตายจริงๆนะ่าต้องปลอบตัวเองเลยว่าตอนนี้เป็นเวลาเฉพาะตัวของเราต้องเอาตัวรอดก่อนถ้าเราตายไปด้วยความเป็นห่วงเราจะเป็นเปลิดค่ะ เราเป็นเตจอยู่ที่บ้านพอสามีเห็นสามีร้องจักเลยบอกให้ไปที่ชอบเห็นไหม <c oughs> เขาไม่อยากให้เราอยู่ด้วยแล้วนะค่ะ <c oughs> งั้นต่อไปเกิดอะไรขึ้นใจเป็นห่วงให้รู้ทันลงไป <c oughs> นะใจกลัวรู้ลงไปใจเป็นยังไงรู้ลูกเดียวเลยใจโกรธรู้ว่าโกรธเชิญกลับบ้าน